พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ประสูตร ท, 46, ทตี่สี่นันทโกวาทสูตรสูตรว่าด้วยการให้โอวาดของพระนันทกะพระผู้มีพระภาคประทับนาเจตวนารามพระนางมหาประชาบดีโกตมีพร้อมด้วยนางภิกษุณีทั้งหลายเข้าไปเฝ้ากราบทูลขอให้ประธานโอววาดจึงทรงมอบหมายให้พระนันทกะ ผู้ไม่ประสงค์จะให้โอวาดแกนางภิกษุณีเป็นผู้ทำหน้าที่นี้ท่านจึงไปสอนให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของอายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นวิญญาณหรือความรู้แจ้งอารมณ์มีจกักุวิญญาณคือความรู้แจ้งทางตาเป็นต้น พร้อมด้วยคำสักถามให้ตอบด้วยความเห็นจริงของผู้ฟังเองและพร้อมด้วยคำปเปรียบเทียบหลายข้อพระผู้มีพระภาคตรัสชมเฉยมากพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14พระสูตรที่47เจจุลาราหุโลวาทาสูตรสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรเล็ก พระผู้มีพระภาคประทับนเชตะวนารามตรัสสอนพระราหุลให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือทนอยู่ไม่ได้และไม่ใช่ตัวตนของอายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นวิญญาณมีจักุวิญญา ณ, า ห, ญญาณหรือความรู้แจ้งอารมณ์ด้วยตาเป็นต้นสัมผัสคือความถูกต้อง มีจักขุสัมผัสเป็นต้นเวทนาความรู้สึกอารมณ์มีเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้นพระราหุลก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4สพระสูตรที่48ชะดฉักกสูตร สูตรว่าด้วยธรรมะหมวดหกรวมหกข้อพระผู้มีพระภาคประทับนาเจตะวานารามตรัสสอนภิกษุทั้งหลายถึงธรรมะหมวดหกรวมหกข้อคือ 1. อายตนะภายในหกมีตาเป็นต้น 2. องายตนะภายนอกหกมีรูปเป็นต้น 3. วิญญาณกายหก หมวดวิญญาณมีจักขุูวิญญาณเป็นต้น 4. ผัสกาย6หมวดความถูกต้องมีจกักขุูสัมผัสเป็นต้น 5. เวทนากาย6หมวดเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์มีเวทนาที่เกิดเพราะจากักขุูสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้น 6. ตันหากาย6หมวดตันหาความทยานอยาก มีตัณหาที่เกิดจากเวทนาอันเนื่องมาแต่จากขุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้นพร้อมทั้งตรัสสอนให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของสิ่งเหล่านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุประมาณห้าสิบรูปมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานคือสำเร็จเป็นพระอรหรันต